หนังสือเรื่องบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จสวัสดีครับกับผมด็กเตอร์กริรนักเจริญวงศัก์ความสําเร็จคือการไปถึงเป้าหมายที่ดีและมีคุณค่าในจิตใจโดยการวางแผนอย่างไตรตรองด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรสาหะและการเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ขวางหน้าความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตนั้นไม่สามารถวัดกันได้ด้วยคุณค่าเพียงเปลือกนอกเช่นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่ การวัดความสำเร็จแท้นั้นต้องใช้มาตรวัดที่ลึกซึ้งทรงคุณค่าไปกว่านั้นเช่นคุณลักษณะชีวิตอุดมการณ์เป้าหมายความสุขความพึงพอใจในชีวิตมีคนเคยกล่าวว่าอย่างน่าคิดว่าเวลาคือชีวิตความสำเร็จของชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงก็คือผู้ที่สามารถหวานและเก็บเกี่ยวผลจากการใช้เวลาในชีวิตได้อย่างดีเลิศ โดยเป็นผู้ที่เรียนรู้และตรหนักถึงความสำคัญของเวลาที่เทียบค่าได้กับคุณค่าของชีวิตเป็นผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาทิ้งเลี่ยรารไปอย่างว่างเปล่าไร้ประโยชน์แต่ใช้เวลาทุกๆวินาทีอย่างมีเป้าหมายรู้ว่าควรจะหว่านแต่และช่วงเวลาของชีวิตไปเพื่ออะไรและมุ่งหวังจะเก็บเกี่ยวผลสิ่งใดจากเวลาที่หวานลงไปนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมมีทัศนว่า การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ควรจะถูกจำกัดใช้เพียงเฉพาะด้านการทำงานเท่านั้นเพราะชีวิตของเรามีมากกว่าการทำงานเรายังมีบทบาทความรับผิดชอบอื่นๆอีกมากที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีตามทัศนะนี้การบริหารเวลาและการบริหารชีวิตจึงเป็นความหมายไม่ต่างกันชีวิตของคนเราเหมือนกับมีเครื่องยนต์อยู่ข้างในทุกคนรู้ว่าในชีวิตของเขานั้น มีเครื่องยนต์อยู่กี่แรงม้ามีทักษะและความสามารถด้านใดอยู่บ้างถ้าเราใช้มันอย่างเต็มที่ชีวิตของเราก็จะเกิดความสุขสนุกสนานเต็มอิ่มในคุณค่าความหมายของชีวิตผมเชื่อมั่นว่าปรัชญาข้อคิดและหลักการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนี้จะมีส่วนเพิ่มความเข้าใจและให้การดนบันดานใจแก่ผู้อ่านจนสามารถก้าวเดินสู่ความสาเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ